ที่ท่านได้บรรยายค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วให้แก่ข้าราชการตํารวจกองกากับการสากองบัญชาการการศึกษาได้รับฟังกันเนื่องในโอกาสเข้าไปอบ ร, ร, ร, รมธรรมปฏิบัติซึ่งเป็นตอนที่สมหลวงพ่อกําลังพูดถึงเรื่องการประพฤติธปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของพระสัตร ธ, ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าบุคคลทําความผิด เช่นผิดศีลผิดธรรมนั้นย่อมจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสูต่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งนี่เป็นสัจธรรมความจริงจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับคติธรรมจากหลวงพ่อในเรื่องคุณธรรมนำชีวิตให้เจริญโดยพร้อมกันในบัดนี้ ถ้าทำดีให้ผลเป็นคุณความดีเป็นความสุขความเจริญในภพชาตินี้พิสูจน์ได้ในภพชาตินี้ไปจนถึงว่าความดีนั่นจะเกิดเป็นคุณความดีที่แก่กล้าจากบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัทบาร ม, ามีให้ผลติดตามให้ผล แจ้งชัดทั้งในภพชาติปัจจุบันในอนาคตและภพชาติหน้าถ้ายัางไม่บรรลุพระอาหารหันตผลได้ไปบังเกิดในสุคติภพหรือเรียกว่าในสุคติโลกสวรรค์ได้แก่ภพมนุษย์ที่ดีหรือในเทวโลกหรือแม้ในพรหมโลกเป็นต้นแต่ถ้าบรรลุอาหารอาหัดอรหันตแล้วนั่นแหละย่อมปรินิพาน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 ง่ายๆเลยไม่ต้องเอาตื้นๆสุราสุรานี่แหละคนไม่รู้ก็ดื่มกันไปนะมีเงินน้อยก็ดื่มน้อยมีเงินมากก็ดื่มมากหนักๆเข้าดื่มอวดโก้อวดรวยดื่มวายดื่มเหล้าราคาแพงๆสูงๆว่าเป็นประโยชน์ ที่แท้ฝรั่งมันหลอกขายคนไทยนี่โง่นะฝรั่งจริงๆไม่ค่อยโง่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวตัวดีจริงๆอะมันรู้ว่าเขาหลอกขายโฆษณาอย่างโน้อนอย่างนี้นิดหน่อยทำกล่องทำอะไรให้ดีโฆษณาว่าเป็นไอ้นี่ของสูงอย่างโน้อนอย่างนี้ราคาแพงไอ้คนรวยโดยไม่ค่อยสุจริตถ้าคนรวยโดยสุจริตมันเสียเงินเนละ เพราะกว่าจะปั้นเงินมาได้เท่านี้ไม่ใช่น้อยลำบากแต่คนรวยโดยทุจริตด้วยอำนาจอะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่เสียดายเงินเพราะมันได้มาง่ายแล้วก็ต้องการโชว์ออกไปว่าฉันเป็นคนมีฐานะมีอำนาจเงินมีอำนาจครอบครัก็จะแสดงออกมาแสดงอย่างงู้งกินเหล้าดีๆสูบบุหรี่ดีๆก็เอามาคุยกัน อวดกันทั้งๆที่เหล้าเบียร์ไวน์มันคือยาพิษหรือเรียกว่าน้ำนรกก็ได้บุรีนี่ก็ควันนรกเหมือนกันควันพิษแล่านี่เป็นต้นนี่แล้วก็ทำลายตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นในช่วง ที่อัตมาพูดตอนหลังนี่ก็จะสรุปให้ฟังว่าเมื่อมาศึกษาให้เข้าใจหลักธรรมกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วปฏิบัติปฏิบัติให้มันเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็โดยหลักใหญ่ก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ใสนั่นแหละแต่รายละเอียดมันมีก็ทำไมถึงทำอย่างนั้นและทำอย่างไร เมื่อใจให้ใสได้อย่างน้อยเห็นดวงใสแจ่มนี่ในท้องของเราในศูนย์กลางกายพัฒนาไปถึงธรรมกายได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เราจะถึงบาง อ, อ้อว่าคนติดเหล้าติดสุราตายไปแล้วไปอยู่ไหนยาเสพติดตายแล้วไปอยู่ไหนคนที่กบฏคดโกงคนอื่นตายแล้วไปอยู่ไหนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติไม่ดีตายแล้วไปไหนแต่คนทําดีแม่แต่ประชาชนคนยากคนจน ตั้งใจทำความดีมีศีลมีธรรมตายแล้วไปไหนมันก็รู้เห็นได้โดยตนนี่แหละตามรอยบาทพระพุทธองค์คือชาณาตาปัสตารู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนอแล้วก็นะสัมมาสัมพุทธเทนะนั่นพระพุทธเจ้านะตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนี่ก็คือตรัสรู้แหละนะรู้โดยตนเนี่ยอย่างนี้นี่แหละท่านมาท่านจงมาทาอย่างนี้ และนี้คือผลดีของการปฏิบัติภาวนาตามแบบที่หลวงพอ่อวัดป่านามโซนแต่ว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นเป็นรายละเอียดที่จะต้องพูดกันค่อยๆพูดกันไปหรือบางท่านอาจจะเคยได้อ่านได้เรียนรู้แล้วจะรู้ทีเดียวดัะนั้นท่านมาเนี่ยอาตมายินดีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือว่าท่านจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นจะได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติให้มันนึกซึ่งลงไป อย่างที่สองคือวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีหนึ่งที่ประเสริฐสูงสุดนะเป็นวิธีหนึ่งที่ประเสริฐสูงสุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพร้อมด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาที่มีอุบายวิธีที่ให้ผลทำใจให้สงบระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่ในขั้นสมถะกรรมฐานจิตใจจะผ่องใสถ้าถึงดวงใสสว่างแล้วนั่นใกล้เข้าไปถึงขั้นฌานจิตหรือปฐมฌานขึ้นไปและเมื่อจิตสงบผ่องใสควรแก่งานแล้วการเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมมันจะปรากฏชัดเจนในจิตสันดานถึงเลิกละได้ในสิ่งที่ไม่ดีและทำแต่ความดีอาตมาแต่ก่อน ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำความชั่วนะทำผิดศีลนี่สบายมากมีตำแหน่งงานมีเงินเดือนที่พอสมควรเลี้ยเลี้ยงก็ยิ่งพอสมควรเพราะฉะนั้นการใช้เงินก็เป็นไปด้วยความสุขสบายตามสมควรแบบชาวโลกคือสุราและนารีต่อเมื่อ ลูกสาวปฏิบัติได้ผลดีได้เห็นปู่คือโยมพ่อของอาตมาซึ่งดื่มสุราวันละกงวันละกงหรือเช้ากงเย็นกงมีก็ดื่มไม่มีก็ดื่มแต่ก็ถือว่าติดคือว่าถ้ามีแล้วเป็นอันดื่มถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่ก็ค่อนข้างจะประจำแต่ไม่ได้เมาไม่ไปอาลวาดใครดื่มแค่นั่นแหละ ตายไปโยมพ่อหรือปู่ของเด็กที่เด็กเข้าปฏิบัติถึงธรรมกายก่อนเข้าไปเห็นอยู่ในนรกและเด็กที่เห็นนั่นคือเด็กอายุ12ขวบ14ขวบเธอยังไม่รู้เรื่องอื่นนี่หรือไปรู้ไปเห็นว่าไอ้สุนัขที่มันกำลังประกอบการมากิจดไอ้ตัวหัวโจกนั่น ไปตรวจดูธาตุธรรมของเขาแล้วถอยหลังสืบต่อไปสองสามชาติยังเกิดมาจากสุนัขพอชาติที่สี่ที่ถอยหลังไปเป็นคนผิดศีลข้อกาเมนี่ทำให้อัตมาเนี่ยต้องเลิกละเรื่องสุราและนารีเพราะได้ข้อมูลที่ แจ้งชัดที่เชื่อถือได้จากลูกที่เขาปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายก่อนจึงมุ่งมั่นตั้งใจละความชั่วทำความดีแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมจนมีประสบการณ์บ้างเกิดความศรัทธาอย่างมากจึงตั้งใจแนวแน่วัดสิบปีข้างหน้า ก่อนกเกษียณสักสามปีจะลาออกจากงานซึ่งอัตมาทำงานเป็นข้าราชการต่างประเทศของรัฐบาลมหาอำนาจแห่งหนึ่งในประเทศไทยคือลาออกเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปีเพื่อมาทำกิตนี้เพื่อเอาธรรมะนี้มาเผยแพร่มาเผยแพร่แกเยาวชน แก่ผู้ใหญ่ให้เข้าใจและปฏิบัติให้ได้ผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติของแต่ละคน น, นี้ก็ท่านพึงเข้าใจว่าอาตมานั้นใช้ชีวิตในทางโลกมาโชคโชนแล้วทั้งดีและชั่วแต่ว่าก่อนบวชนั้นนั่นแหละสิบปี ในวางแผนชีวิตที่จะมาแล้วจึงมาเพื่อทำกิจนี้ดังที่ท่านเห็นนี้เพื่อมาช่วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งจริงๆแล้วนั่นอัตมาเห็นว่ามาสามวันน้อยไปน้อยไปแต่ว่า ถ้าว่าแม่ไม่มีเวลาอบรมสามวันแล้วถ้าท่านอยู่กรุงเทพซะโดยส่วนมากใช่ไหมใครอยู่กรุงเทพบ้างยกมือทีอ๋อกรุงเทพก็ น, น้อยนะมาหลายที่อ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นก็ใครอยู่กรุงเทพไปอบรมได้ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสเก็ตมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ศาลาการเปลี่ยนวัดสเก็ตเข้าไปก็เห็นนล้ มีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเก้านาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปแล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสทุกเย็นเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนี่ใครอยู่ทางโน้นก็ไปปฏิบัติได้ใครอยู่ใกล้มาทางนี้ก็มาปฏิบัติที่นี่ได้แล้วแต่ใครอยู่ทางไหนแต่ว่าให้นําไปปฏิบัตินําไปปฏิบัติดียังไงดีที่พูดมาแล้วเนี่ยท่านคงเห็นแล้วว่าดียังไง แต่อันหนึ่งที่จะเตือนท่านชีวิตนี้น้อยนักเพราะฉะนั้นความดีพึงกระทมเลยความไม่ดีเลิกละเลยปฏิบัติธรรมนี้นี่แหละเรามีสเสบียงเลี้ยงตัวหรือมีพื้นฐานในาธาตุธรรมของเราที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่มีบาปอากุศลเจือปนหรือมีเจือปนน้อยลงน้อยลงนี่เหมือนกระร๊ ที่เราตั้งเข็มหรืออีกในหนึ่งเรามีสติสัมปชัญญะถือพวงมาลัยเนี่ยขับรถประคับประคองรถไปในเลนที่ถูกต้องเหมาะสมตามกฎจราจรผิดไม่เอาเอาแต่ที่บันถูก รถของเราก็ปลอดภัยไปถึงที่หมายปลายทางแต่คนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบก็เปรียบเหมือนคนเมาขับรถเปะปะออกนอกช่องจราจรนอกเลนผิดกฎจราจรสักวันหนึ่ง ได้จังหวะเหมาะก็สวัสดีก็เท่านั้นเนี่ชีวิตมีเท่านั้นแต่ถ้าเรามุ่งตรงแล้วนี่มันจะไปตรงถึงไหนถึงไหนถึงไหนถึงมักผลนิพพานได้เลยเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักทําให้ดีไว้เหมือนเราตั้งเข็มที่ตรงไว้ แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ดีกับดีเพราะชีวิตไม่ใช่มีเพียงเท่าที่เห็นที่เป็นนี่ตายไปแล้วถ้ายังไม่ถึงพระอระหัสต์เวียนว่ายตายเกิดอีกแน่นอนแต่โดยอำนาจของอะไรของกรรมกรรมอะไรกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านทาอย่างนี้ได้ประโยชน์ทุกอย่างแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่มูคณะแก่สังคมประเทศชาติแต่ที่แน่ๆคือชีวิตของเราเองไม่ไปในทางต่า มันจะตายเป็นเมื่อไหร่ช่างหัวมันถ้าเราทำดีถึงที่สุดแล้วเพราะยังไงมันก็ตายแง่แงอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะเอาล่ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วในเบื้องต้นอัตมาขอให้พรโยมก่อนนะขอตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณประสีรัตนไตรยัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจของทุกท่านให้ไปในทางที่ถูกต้องไม่ไปในทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและจงดำเนินชีวิตไปโดยประการปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยสรพอันตรายและอุปัตรควันตรายทั้งปวงจงมีอายุมั่นขันยืน จเจริญรุ่งเรืองในพระสัต์ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเถิดปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมัง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 เดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซ้กราบพระพุทธชัยมงคลที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นสารธรรม จากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามท่านได้แสดงธรรมเรื่องนี้ให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครได้รับฟังเนื่องในโอกาสเข้าไปศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ธรรมะเรื่องนี้ก็มีทั้งหมด3ตอนตอนนี้ก็จบบริบูรณ์เป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะขอนำประวัติยอ่อของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยัมังคลโลที่เป็นองค์ปาตกถาประจำรายการธรรมะสู่สติซึ่งทำหน้าที่ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนเป็นประจำ เพราะถ้ารายการธรรมะสู่สันติมาพบสาธุชนก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นองค์ปาตกถาหรือวิทยากรประจํารายการซึ่งให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลักปริยัตวิธีการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติด้วยตามโอกาสที่เหมาะสมสําหรับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่6เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช2472ี่อยเิที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 2พันหสบัทศีมาวัดปากน้ำผาสีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพระยากรุงเทพ เป็นพระอุปชาสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์วัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพเป็นพระกรรมวาจาจารย์และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพเป็นพระอนุสาวนาจารย์และที่สําคัญมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระวีระคนุตโม รองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุราวัดปากน้ำผาสีเจริญเป็นพระวิปัสนาจารย์ทางด้านการศึกษาทางด้านพระปริยติธรรมนั้นหลวงพ่อท่านจบนักธรรมเอกและป ร, ะริยธรรม6ประโยคได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเพื่อบวชกุลบุตรตั้งแต่วันที่31มกราคมพุทธศักราช2539เป็นต้นมา และท่านได้มาอยู่จำพรรษาที่หนึ่งถึง5นวัดปากน้ำผาสีเจริญกรุงเทพเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยที่สำนักและได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์พอครบห้าพรรษาแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ย้ายมาเป็นประถมเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ในพรรษาที่6นั่นเองจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนประวัติการก่อนบนรรพชาอุปสมบทของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐประสาศนศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศสนิยบัตรการศึกษาอบรมระเบียบวิธีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิจิแกนแอน์อัเบร์ประเทศสหรัฐอเมริกาและประกาศนียบัตร การศึกษาอบรมหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และระบบข่าวสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากสำนักแถลงข่าวสาหรัฐวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับหน้าที่การงานประจำนั้นหลวงพ่อเป็นพนักงานประจำสำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพในตำแหน่ง Research Specialist และลาออกจากงานประจาก่อนกเกษียณอายุราชการ3ปี เพื่อบริปชาอุปสมบทปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาส่วนหน้าที่การงานพิเศษนั้นหลวงพ่อท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลสื่อสารมวลชนชั้นปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอนในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนบนรรยชาอุปสมบทกว่า20ปีนี้เป็นประวัติย่อๆของ หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งท่านสาธุชนอาจจะคุ้นเคยกับเสียงเข้มเข้มจริงจังจริงใจของประเดษพระคุณหลวงพ่อในขณะที่บรรยายธรรมหรือแสดงปาตกถาธรรมให้แก่สาธุชนญาติโยมอาจจะมองดูเหมือนว่าเสียงหลวงพ่อนั้นออกจะดุ นะออกจากหน้ากลัวสักนิดหนึ่งแต่ถ้าท่านใดได้ใกล้ชิดหรือว่าได้คุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพอสมควรแล้วก็จะเห็นถึงแววแห่งความเมตตาการุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ย ม, มังคโลซึ่งแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยการกระทําต่างๆดัง เมื่อให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนก็ประสงค์ที่จะให้สาธุชนได้เข้าใจหลักธรรมแก่นสารสาระของพระพุทธศาสนาจึงออกจากให้ธรรมะแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมและก็เป็นหลักวิชาเพราะประเด็ดประคุณหลวงพ่อนั้นท่านเป็นนักวิจัยโดยอาชีพทำงานเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผลซึ่งท่านได้เสียสละชีวิตทางคารวะของท่าน ซึ่งเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งด้านหน้าที่การงานทั้งด้านครอบครัวอันนี้ก็สละออกมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยตนเองหนึ่งและนําธรรมะที่ท่านได้ศึกษาและได้เข้าใจได้เห็นผลของธรรมะนั้นแล้วออกเผยแพร่พสู่ พี่น้องสาธุชนหรือว่าพุทธศาสนาชนทุกหมู่เหล่าทุกประเภทนะทั้งเยาวชนข้าราชการส่วนราชการต่างๆที่เข้ามารับการอบรมหลวงพ่อท่านก็ให้ธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนโดยส่วนมากเหล่านั้นสำหรับวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็นําสารธรรมมาฝากท่านสาธุชนพอสมควรแก่เวลา สำหรับโอกาสต่อไปนั้นขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายในส่วนของการตอบปัญหาธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเชยมังคลโลซึ่งในคราวอบรมขร้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษานั้นมีผู้สงสัยถามปัญหามาแล้วหลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาเอาไว้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเดี๋ยวทางรายการจะได้นามาสู่ท่านสาธุชนในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติโรคาพาธ ท, ทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขรึญเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวงทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร มั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัตยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและจิตการงานโดยชอบทั้งปวงทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร